สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุวพระเยซู ต, ตอนที่สี่ร้อยสามสิบเจ็ดเรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระบิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่สามผมขอทบทวนนะครับว่ามีสามระดับนะครับของการเปี่ยมลน้นหรือสามประเภทของการเปี่ยมล้นนะครับคนสามประเภทที่รับการเปี่ยมลน้นประเภทแรกก็คือเป็น ทุกทุกคนที่ถวายตัวนะครับเป็นลักษณะปกติวิสัยของคริสเตียนทุกคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเขาจะต้องมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นช aquela, ีวิตที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเป็นคุณลักษณะปกติเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคนประเภทที่สองก็คือคนที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษหรือภารกิจพิเศษนะครับและเขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภารกิจพิเศษต่างๆเหล่านี้นะครับจนตลอดไปประเภทที่สามครับก็คือการประกอบไปเพิ่มยามเบสุดได้มาถึงหรือการเจิมนั้นมาถึงคนบางคนเพื่องานกระทันหันและงานเร่งด่วนนะครับเพื่อ ให้เกิดบางสิ่งบางอย่างพิเศษเฉพาะเจอด จ, จงทั้งสามประเภทนี้นะครับเราจะเห็นตัวอย่างที่ครอบคลุมทั้งสามประเภทอยู่ในบุคคลคนเดียวนะครับบุคคลผู้นั้นคือพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับในพระกกติคุณลู ก, กานั้นได้กล่าวถึงพระราชกิจของเบญญ า, าบริสุทธิ์ที่ได้พบในองค์พระเยซูคริสต์ทั้งสามประการนะครับ เรียกว่าทั้งสามระดับพี่น้องครับระดับแรกเกิดขึ้นตอนไหนครับระดับแรกนั้นเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูเองนั้นได้รับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือตอนที่พระองค์ขึ้นจากแม่น้าจอแดนพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับเมื่อพระองค์ทรงขึ้นจากแม่น้าจอแดนทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ น, นี่คืออะไรครับสภาวะจิตวิญญาณครับที่แน่นอนของพระเยซูที่ไม่ผันแปรของพระเยซูนะครับและเพะิ่มปีก็บรรยายต่อไปครับว่าในขณะเดียวกันข้อความติดตามมาทันทีครับหลังจากที่พระเยซูรับแับมานะครับระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนพระองค์เพื่อเจิมครับเพื่อให้พระองค์นั้นได้รับภารกิจพิเศษในฐานะ พระเมสิยาะตลอดตลอดไปและระดับที่สามระดับสุดท้ายนะครับตอนที่พระเยซูได้ขึ้นจากน้ำหลังจากที่พระเยซเมสุดสถิตลงมาบนพระองค์บังพีกล่าวต่อไปว่าพระเยซูนั้นก็เข้าไปในถิ่นทุรกันดาลและถูกมารทดลอง ในเหตุการณ์นี้นะครับเรื่องราวนี้สรุปโลดโดยอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระองค์ไปนะครับและด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้พระเยซูได้รับการเสริมกําลังพิเศษจากพระวิญญาณสําหรับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงฉุกเฉินในการเข้าสู่การทดลองของพระเยซูนั่นเอง พี่น้องครับทั้งสามประการนี้เราเห็นว่าหรือสามระดับนี้เราเห็นว่าเกิดขึ้นกับพระเยซูครับตอนที่พระเยซูได้ขึ้นจากน้ำเมื่อรับบัพติศมาจากยอนตอนที่พระเยซูได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่เหนือโพรงประดุสนกพิราบนั่นคือการเจิม เป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพที่พระเจ้าได้ท่งให้พระองค์นั้นประกอบด้วยพระเยซูสุดหรือเติมเต็มด้วยพระเยซาสุดหรือเปรี่ยมลดด้วยพระเยมูสุดคำคำเดียวกันครับความหมายเดียวกันครับและพระเยซูสุดก็นำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารด้วยฤทธิเดชของพระองค์ได้รับการเสริมกำลังในกรณีพิเศษก็คือพระเยซูถูกทดลองจากมารซาตาน เื่อนครับนี่คือประสบการณ์ของคริสเตียนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับพระเยซูเป็นอย่างไรนะครับเราทั้งหลายทุกคนต้องมองพระเยซูและปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมี ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับเราควรจะต้องเรียนแบบพระเยซูเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการที่พุ่มยามบริสุทธนั้นจะทรงนำชีวิตของเราครับในการเพริ่มยามบริสุทธนั้นจะเจิมชีวิตของเราครับในการแต่งตั้งเราให้ไปเกิดผลการเจมิมการแต่งตั้งนั้นมาจากพาุ่มยามบริสุทธ์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในแง่ปฏิบัติในเช้าวันนี้ก็คือว่าการที่เราจะให้คนหนึ่งคนใด <c oughs> หรือเลือกคนหนึ่งคนใดมารับใช้พระเจ้าเราจะต้องมองดูชีวิตของเขา ว่าชวิตของเขานั้นเต็มล้นด้วยพระมเหเบริสุดนะครับหรือเปล่าม่อยครั้งขนาดไหนชื่อจริงๆของเขาเนี่ยได้รับการเจิมจากพระมเหเบริสุดอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอ่านพระโอษะของพระเจ้ามีชีวิตไขครวนอยู่กับพระโอษะภูกพันตัวเองอยู่กับพระคําภูกพันตัวเองอยู่กับการทรงนําของพระญเหเบริสุดซึ่งคนเหล่านี้ ก็แสดงออกด้วยคําพูดความคิดและการกระทำํำนะครับคนเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เขาและเขาจะเกิดผลถวายแด่พระเจ้าอย่างเต็มที่หากเราเลือกคนที่ไม่ประกอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีการเจิมอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูง่ายๆครับก็คือชีวิตของเขานั้นไม่บริสุทธิ์ ชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยความบากชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยตัวตนของตัวเองที่เอาตัวเองเป็นใหญ่และไม่ให้พระเยซูเป็นใหญ่เป็นชีวิตที่ไม่ได้สําแดงออกถึงพระเยซูทั้งในด้านความคิดคาพูดและการกระทำชีวิตของเขานั้นก็เกลือกลัวกับสิ่งที่เป็นของโลกคนเหล่านี้ครับพระเจ้าประทานให้เขานั้นกับใจเสียใหม่ ก่อนที่เขาจะมารับใช้พระเจ้าก่อนที่เขาจะเข้าสู่ชีวิตหรือวิถีแห่งผู้รับใช้เพราะว่าวิถีหรือชีวิตแห่งผู้รับใช้นั้นเป็นชีวิตที่จะต้องอดทนเป็นชีวิตที่จะต้องบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่จะต้องยอมเชื่อฟังเป็นชีวิตที่สาวกจะต้องปฏิเสธตัวเองเป็นชีวิตแห่งการแบกกางเขนเป็นชีวิตแห่งการติดตามพระเยซู ติดตามพระเยซูว่าพระองคิดอย่างไรว่าพระองค์ทําอย่างไรว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์อะไรกับชีวิตของเรากับการงานอย่างนี้กับภารกิจเช่นนี้กับหลายสิ่งหลายอย่างทุกๆด้านในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เองครับจะทําให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์ครับเป็นชีวิตที่เพระมิย ญ, ญ่ยมโดยสุธิ์จะสามารถนําได้และเขาจะมีชีวิตที่เติมเต็มได้เพิญญ่มเยี่ยมโดสุดนะครับ เกือบจะตลอดเวลาเลยครับพี่น้องเมื่อเขามีความบาปหรือทําความบาปน้อยลงเขาจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นนั่นแสดงว่าเขาตายกับพระเยซูทุกวันทุกวันทุกวั น, วนและมีชีวิตเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกับพระเยซูทุกวันทุกวั น, วนเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เมื่อเราฟังทำบรรยายทาแบ่งปันพี่น้องครับเราจะเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาบริสุทธิ์ และจะมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งให้ไปทําบางสิ่งบางอย่างตามสถานภ า, ภาพหรือไม่กระแทงภาวะฉุกเฉินเพิ่มยันเบอรุดก็สามารถที่จะเปี่ยมลน้นและเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนครับคุณลักษณะทั้งสามอาการนะครับก็คือหนึ่งเป็นการแต่งตั้งเป็นท้อประสงค์ของพระเจ้าให้เคยเสียนทุกคนจะต้องเปี่ยมลน้น หรือสองเป็นน้ำมัไทยที่จะให้ชนภาพหรือภารกิจพิเศษตลอดชีวิตหรือสามพระวิญญาณจะนำเราในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเฉพาะจอดจงเหตุการณ์ฉุกเฉินในที่สุดทั้งสามประการนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบไปอาเมน